ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมในการปฏิบัติในการได้มารักษาศีลพร้อมทั้งกันสดับรับฟังธรรมกันก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้น้อมจิตไปสู่ธรรมของ ผู้ตรัสรู้แล้วนะถ้าเรายังยังดื้ออยู่หรือไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมนันเราเองก็จะมีสภาพ ที่มีการเวียนอยู่กับสภาพทุกข์อยู่ตลอดเมื่อไรเราเข้าถึงวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารและอยู่เหนือคึ้นมาวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารหรืออันตกอยู่ในสภาพแผงมนุษย์ตีอยู่ ทำอย่างไรเราจรึงข้ามไปสู่วิวัตตะก็คือหลุดออกฉะนั้นมนุษย์ปุตุชนทั้งหลายที่เวียนอยู่ในวัตตะที่อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์ยูนไม่ว่าเราจะอยู่ในภูมิไหนพบใด อาสวะก็ยังมีอยู่นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่ถอนที่จะให้ขาดถ้าเราสังเกตดูว่าในชีวิตของพระนครที่มีผู้อยู่ในเมืองกบิลพัทเริ่มตั้งแต่ผู้เป็นบิดา ก็คือพระเจ้าสุโทธทันะอันเป็นพระราชาของพระพุทธเจ้าในประชาิสุดท้ายนะตลอดถึงมารดาผู้ให้กำเนิดที่เรียกกันว่ามยาเทวีที่พระองค์ได้อาศัยอยู่ใน ในพระคันอยู่และแม้พระองค์เองก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ในการครองเรือนตั้ง29ปีหรือพันษาและมันให้อยู่แบบธรรมดาอยู่อย่างผู้มีประศาทสามฤ ด, ดูนั่นก็หมายว่ามีประสาทถึงสามหลังแสดงว่าสิ่งที่มาตกแต่งสิ่งที่ มาประดับและสิ่งที่มาแล้วโลมย่อมมีมากแม้แต่พระองค์เองซึ่งมีนามว่าสิทธัตถราชกุมารก็มีชายยาอยู่ไม่ว่านางยโสธรานะนางยโสธราแม้แต่บุตรได้นามว่าราขุน แสงวันนางยโสธาราและก็ราหุลก็ยังเป็นของรักเป็นสิ่งที่ยังครองใจและชีวิตอยู่กับการได้ครองเรือนถ้าพูดกันบ้านๆเราก็เหมือนเรายังอยู่กับภรรยาและก็บุตรหรืออยู่กับสามีพร้อมทั้งบุตรและทรัพสมบัติทั้งหลาย ไม่ว่าเครื่องประดับตลอดถึงความร่างพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าทั้งหลายและก็ในในที่สุดไม่ว่าผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอักระมหาสาวกหรือผู้เป็นพุทธอุปถากโกลิตตา อปิสหรืออานน์ที่ยังไม่ได้ออกในบรรบชาก็มีชีวิตแบบเหมือนกันมีสุขทั้งโลกมีทุกข์ทงโลกมีดีใจมีเสียใจมีโศกเศร้ามีการ พี่ไรรำพันอยู่มีหมดไม่ว่านางพิสุณีก่อนจะบวชอุบลวันนาหรือนางเคมาทั้งนั้นแหละก่อนที่จะได้บรรลุบุณธรรมชั้นสูงและก่อนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะได้ออก ในภาคพนวดเขาใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับเราท่านทุกคนมั่งมีรวยจนก็อยู่กันอย่างถือเนื้อถือตัวกันทั้งนั้นถือวันนะถือเพศถือวัยถือความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ่าวเป็นไพร่กันอยู่โดยเฉพาะยุคนั้นยัง ยังมีการถือกันมากในเรื่องของชนชั้นวันณนะดูเหมือนว่าพระพุทธเ จ, เจ้าเนี่ยนะได้มาหลอมหลอมรวมใช้เมื่อมาหลอมรวมวันณนะให้มาเหลือเพียงชีวิตที่อยู่ร่วมและก็อยู่รวมกันว่าให้เสมอกันโดย ศีลสมมัญญุตาเสมอกันโดยศีลอันเป็นพื้นฐานโดยทั่วกันแล้วจะอยู่ร่วมกันได้อยู่รวมกันได้ไม่ใช่เรื่องการถือในโคตเงาตระกูลไม่ใช่ให้ถือศีลให้เสมอกันอยู่รวมกัน ถือศีลถือธรรมกันไม่ใช่ถือเนื้อถือตัวนั่นมันเป็นทางของความทุกข์และเป็นทางแห่งการเบียดเบียนซึ่งได้มาจากชีวิตสู่ชีวิตบางครั้งก็ย่ำยีอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของพระวิทูธพะที่กรีทัพยกทับมา ตีชาวสากยะนั่นก็เพราะความถือวันณนะความเหยียบย่ำการดูถูกและการข่มเหงน้ำใจกันปิตุตปะก็เกิดความแค้นเขาเรียกว่าแค้นใจไม่ได้แค้นกายเลยถ้าแค้นกายเนียคงจะเข้าติดคอนะดื่มน้ำสักเหยหือกนึงก็คงจะหาย ถ้าร้อนไกลถูกฝนสักหาหนึ่งก็หายหาใหญ่หน่อยหายแต่นี่แค้นใจดื่มน้ำไม่ถึงกายถูกหาฝนยังไม่สามารถล้างใจหรือดับความร้อนใจได้ก็แสดงว่านั่นคือไฟนรก ที่ทำให้ร้อนมันเป็นทุกขกติพระพุทธเจ้าเห็นโทษแ ล, ล้วล่ะจึงให้ลดคำว่าทิฏฐิเริ่มจากความเห็นที่เราถือกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความออกจากทุกข์แล้วก็ไม่ใช่วิธีชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พระองค์ใช้คาว่าอยู่แบบมีความสามัคคีในหมู่ทำให้เกิดสุขการได้ทำอะไรร่วมกันมีสมณฉั น, นการเป็นอยู่ร่วมกันทำให้เกิดสุขที่เป็นการปดเปื้องปดเปื้องในเรื่องของพื้นฐานที่เราใช้ ในความยึดถือกันมาพระองค์เองก็มาจากวันณะกษัตริ์แต่ไม่ได้ถือความเป็นวันณะในการบวชไม่ได้ถือพระองค์ได้ถือคำว่าศีลธรรมไม่ใช่ถือคำว่าตัวตนนั่นก็เป็นการบอกว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่เห็นพระผู้มีพระภาคทำความเพียรอยู่ในหกพันษาทำความเพียรเพื่อละตัวตนละว่าตนประเสริฐด้วยโทษก็หาไม่ด้วยรูปงามก็หาไม่ด้วยเสียงเพราะ ก็หาเป็นเช่นนั้นด้วยการรวยทรัพย์ก็ไม่ใช่ด้วยการมีบุตรมีพันรา ย, ยากก็ไม่ใช่หรือด้วยความมีความพร้อมในค่าธาตุบริวารผู้มาคอยปรนนิบัติรับใช้ก็ไม่ใช่นั่นมันคือเพียงส่วนเดียว ไม่ใช่คือความบริสุทธิ์หรือความความเลวมีก็ตามไม่มีก็ตามในสิ่งที่ได้กล่าวมาถ้าจำกันได้ว่าครั้งหนึ่งมีผู้ที่ได้ร้องพึมพรำแล้วก็พึมพรำไปเรื่อยเรื่อย เปล่งว่าตนเป็นผู้เสื่อมเนอตนเป็นผู้เสื่อมแล้วพระพุทธเจ้าทราบเรื่องแล้วก็ได้รับสั่งถามว่าเหตุอันใดจึงกล่าวว่าตนเป็นผู้เสื่อมเนอกันได้บอกว่าบัดนี้ค่ะพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสื่อมแล้วจากลาภสการะเป็นผู้เสื่อมแล้วจากตระกูลญาติมิตรพี่น้องเป็นผู้เสื่อมแล้วจากยศอานาจสันเสริญแม้แต่สุข ไม่มีอะไรอีกแล้วบัตรนี้เป็นผู้เสื่อมพระพุทธเจ้านะจึงตรัสบอกความเสื่อมของเธอนั้นยังไม่จัดว่าเป็นความเสื่อมแท้ยังอีกเหรอบ้านเรือนก็ไม่มีบัตรนี้เอายกเหมือนถ้าเป็น ชีวิตที่ต้องร่นเร่พนเนจรเงรี้ยสมบัติไม่มีเหมือนคนที่เคยอยู่อย่างอุ ด, ดมมั่งคั่งไปด้วยมนุษย์สมบัติแต่มาบัดนี้มนุษย์สมบัติเหมือนตนได้ใช้หมดไปแล้วยังไม่ทันตาย หมดบุญวาสนาที่จะได้ใช้สมบัติแล้วก็มีเยอะในโลกปัจจุบันมนุษย์สิ้นบุญก่อนตายเยอะหมดบุญก่อนตายเยอะบางคนก็ตายพร้อมกันหมดไปด้วยกัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเสื่อมของเธอยังไม่ชื่อว่าความเสื่อมโดยแท้เธอเสื่อมจากลาบสการะสันเสริญสุขทรสมบัติแม้แต่ญาติบริวารเพื่อนฝูงก็ตามแต่ยังไม่จัดว่าเป็นความเสื่อมแท้ ถ้าเป็นชีวิตของเราเราเราก็คิดว่านี่คือความเสื่อมสุดๆแล้วแต่ยังไม่ใช่ในหลักของผู้ได้เห็นสัจจะความจริงได้ตรัสรู้ในสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในการรู้สรรพสิ่งทั้งหมดได้ตรัสว่าความเสื่อมอันแท้คือเสื่อมจากในกุศล และเสื่อมจากปัญญาต่างหานี่แหละคือความเสื่อมโดยแท้ระหวังอยากโยมผู้ฝังทำทั้งหลายคำนี้ไม่ได้ลอเล่นใครไม่เคยเอาใจใครและไม่เคยเสแสร้งบุญไม่เคยเสแสร้งดุดเยี่ยงบาปเหมือนกันเมื่อบาปให้ผลบาปไม่เคยเสแสร้ง มีคติดเดียวคือทุกข์ร้อนและทรมานชีวิตของเราทุกคนสัมผัสเองได้เราเป็นคนมีบุญมีวาสนาหรือไม่เราเป็นผู้บริบูรณ์มั่งคั่งหรือเป็นผู้ขัดสนอัตขัดชีวิตของเราได้อะไรมาอย่างง่ายดายหรือ ได้มาด้วยความลำบากยิ่งแม้สิ่งนั้นยังไม่สำคัญสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนพูดกันทางลงว่าโชคไม่เข้าข้างเอาเลยหรือดูเหมือนไม่มีใครจะส่งเสริมเราทั้งที่รู้สึกว่าเราดีกว่าฉลาดกว่าแข็งแรงกว่าเก่งกว่าดูเหมือนว่าอะไรก็จะดีกว่า แต่ทำไมเราจรึงไม่ได้ดีพิจารณาแล้วก็มองย้อนมาสู่ตัวเราว่าเราเป็นผู้เสื่อมจากกุศลไวมเสื่อมจากสติปัญญาหรือเปล่าพิจารณาไปแล้วถ้าเราเข้าใจในที่สุด เราจะตั้งอยู่ในฐานแห่งความไม่ประมาทในกุศลและไม่เสื่อมจากปัญญาอยู่อย่างไรจรึงไม่เสื่อมจากกุศลและเป็นผู้มีปัญญาฉะนั้นทุกคนก็ดูเหมือนบางคนก็อ้างตนว่าตนเป็นผู้ฉลาด ต้องเติมมาฉเฉลียวฉลาดบางคนก็คุยว่าโอ้อวดว่าตนนี้บุญเยอะตายก็ไม่กลัวแล้วบุญชั้นเยอะตราบใดจิตยังเร่าร้อนชีวิตยังวุ่นวายนะดูเหมือนบุญยังไม่ใช่ที่ท่านจะชล่าใจ หรือจะหยุดอยู่ได้กุศลเพียงความเห็นว่าตนท ร, รมาเยอะคิดหรือว่าบาปตนท ร, รมาน้อยลืมพูดฝ่ายเดียวก็ดูเหมือนตัวเองดีหมดแต่พอหยุดพูดความสุขกระปรกคนอื่นพูดแทนหมดเลยสังเกตดูใครแหมยกตัวพูดตัวดีพูดโหยนั่นแหละ พอหยุดเท่านั้นเองไม่มีใครเลยที่จะพูดดีต่อมีแต่คนหาความเลวสรรหามาบอกฉะนั้นเราเองคิดไม่ว่าเราเนะ่ยทำเลวมาเยอะทำเลวได้ทุกวันนะและยังไม่เคยบอกฉันพอแล้วในความเลวนะฉันอิ่มแล้วความเลวใจฉันไม่เอาแล้ว แหมพอทำบุญในชาตินี้หน่อยก็โอ้โหสำคัญตนผิดคิดจนตัวตายนะธรรมาบอกคิดหรือว่าโอกาสจะให้เรามีพบชาติที่จะดีเหมือนที่ขณะได้ฟังได้เป็นได้อยู่ธรรมะว่าประตูของความดี ไม่ใช่หยุดอยู่ที่การคิดว่าดีแล้วไปหยุดอยู่หน้าประตูแล้วบอกฉันพอแล้วนี่คือประตูความดีอันนั้นก็เป็นยามเฝ้าความดีไปแล้วกันอาตมาจะเดินเข้าไปข้างในก่อนก็รอไปที่ใครมาก็ยกมือไหวฉันได้ทำดีจะเป็นคนเฝ้าความดีหรือ หรือจะเป็นหมดแดงเฝ้าต้นมะม่วงเจ็บไม่พอนะแถมยังต้องมาเฝ้าลูกมะม่วงอีกเฝ้าตั้งแต่เริ่มจากต้นแล้วก็มาเฝ้าดอกมะม่วงสุดท้ายก็มาเฝ้าลูกมะม่วงและแถมไม่ได้กินเลยนะพวกเราจะเป็นคนมาเฝ้าบุญลรื โอ้มันก็ไม่ต่างกับปูโสมเฝ้าทรัพย์นั่นแหละแต่มาเห็นหลายคนมาเฝ้าบุญนันไม่ค่อยทำอะ่ะมาเฝ้าบุญคิดว่าตนพอแล้วบุญไม่เพียงพอสำหรับบัตตะของเราหรอกเชื่อเถอะถ้าพอตอมาบวชตมาก็บกพอแล้วทั้งได้ศีลทั้งได้ทรรมฌานทั้งได้ภาวนา ทั้งได้เผยแผ่ธรรมเนี่ยแล้วก็นำพาปฏิบัติก็คงจะเป็นบุญที่ไม่น้อยกว่าใครเหมือนกันนะแต่ใจลึกๆแล้วบอกตราบใดยังไม่เข้าถึงวิวัตะเราก็ยังอยู่กับมานไม่ใช่จิตของเราเองเรารู้นี่ บญจริงมันต้องถึงที่สุดแห่งความเย็นสุขแบบเย็นในความเย็นนั้นอยู่ปราศจากเครื่องเศร้าหมองและในเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ปราศตรงนั้นลึกๆจิตต้องอิสระในอิสระนั้นต้องมีอยู่ด้วยคําว่าปัญญาวิมุตต์หรือจิตวิมุตต นั่นคือบุญที่บอกพอแล้วเพราะความตายไม่มีความเกิดบุญบาปจะมีจากไหนอีกนั่นคือพอเหมือนอิ่มก็ต้องไม่ทานตราบใดเรายังทานบุญทานบาปอยู่พูดได้ไหมว่าอิ่มไม่ได้ เขาเรียกว่ายังสวยในกุศลและอกุศลกรรมถ้าพระพุทธเจ้าในอิ่มบุญใช่พระอนุ์ใช่ตอนเป็นพระโสดาบันถามว่าอิ่มไม่ยังบุญยังยังยังมีการร่ำให้อยู่ยังยังร้องอยู่ยังไม่อิ่มเมืเพียงเพราะว่าเราเองยังไม่ได้บรรลุคุณธรรม กนดันเพราะทราบว่าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้เหมือนมีพระอยู่รูปนะ่ปอดทราบว่าพระพุทธเจ้าจะดับขันมหาปรินิพานอีกสามเดือนข้ังหน้ารีบ หลีกเร้นเพียรภาวนาไม่ใช่มาท่องอยู่เพียงกุศลาธรรมาหรืออากุศลาธรรมาไม่ใช่เพียรเพื่อเผากิเลสเหตุแห่งวัตตะให้สู่วิวัตตะให้ได้เพราะพระพุทธเจ้าจะละขันแล้วดับขันแล้ว แต่เราเองยังไม่ถึงบุญที่พระองค์สอนใจเรายังมีอยู่ด้วยอัศวะเห็นไหมก็เพียนดูเหมือนเอากายมาแลกจิตและเอาชีวิตมาทำให้เป็นธรรมะให้หมดตั้งแต่ปลายผมถึงเล็บพื้น หมดแล้วตั้งแต่พื้นเท้าถึงปลายผมทำให้เป็นธรรมะให้ได้ใจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันต้องทำลายทุกข์ให้หมดวัตตะต้องไม่มีที่อยู่ของมันต้องไม่มีที่อยู่แห่งความทุกข์ต้องไม่มีทำลายจิตนี้ให้สิ้นเขาเรียกว่าถอนราก ถอนโคนถอนต้นมะม่วงไม่ต้องมานั่งเฝ้าแล้วหมดแดงถอนถอนปรากฏว่าพิสุทั้งหลายก็มีการโจ์ขานว่าพิสุไม่ควรขวายในการดับขันปรินิพานของพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระศบ หรือเรื่องของสลีระสุดท้ายเรื่องก็ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งให้เข้าเฝ้าแต่ก็ถามตามนัยยะว่าเป็นเช่นนี้เช่นนี้จริงหรือทูลว่าจริงแล้วพระเจ้าค่ะด้วยเหตุอันใดเธอจึงทําเช่นนี้ ก็ได้แสดงกราบทูลต่อพระองค์ว่าข้าพุทธเจ้ายังไม่สิ้นวัตตยังมีอัศวะอยู่ในเมื่อพระองค์จะดับขันปรินิพานแล้วข้าพุทธเจ้าจึงต้องเพียรเพื่อทำให้ที่สุดแห่งวัตตเป็นวิวัตต์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสในถ้ำกลางสงตรัสว่าดีแล้ว ิุเธอได้ชื่อว่าเคารพยำเกรงต่อพระตถาคตโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อมรรคผลนิพพานผู้นั้นชื่อว่าได้สักกะระได้เคารพได้บูชาพระตถาคตอย่างแท้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญแล้วบัดนี้พิสุได้บรรลุ สิ้นจากวัตตะเป็นวิวัฏฏะแล้วนะยัดจมพระองค์ไม่ให้เน้นในการขวนขวายสลีระของพระองค์ยิ่งกว่าการปฏิปฏิบูชามีครั้งหนึ่งพระองค์ตัดโยโคอนันทะพิขุวาภพิขุนิวาอุบาสโกวาอุบาสิกาวา ธ ม, มานุธรรมปฏิปันโนวิหะรติสามิจิปฏิปันโนอนุธรรมจารีโสตทาตังสการติครุการติมาเนติภูเชติปรมายะปูชายะซึ่งแปละว่าดูก่อนอานุผู้ใดจะเป็นพิสุ เป็นพิษุนีก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติสมควรแก่มรรคผลนิพพานผู้นั้นชื่อว่าได้สการะได้เคารพได้นับถือได้บูชาตถาคตโดยการบูชาอย่างสูงที่สุดเป็นไงโยม อย่างสูงที่สุดฉะนั้นการได้ปฏิบัติธรรมเช่นนี้แหละถือว่าได้ขวนขวายแล้วเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการได้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประโยชน์นะประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือการขนสัตว์ออกจากวัตตะไปสู่วิวัฏฏะเป็นคำที่ประเสริฐ พระองค์ไม่ให้มาติดอยู่เพียงงานข้างนอกทำงานที่ข้างค้างให้เสร็จอนาคุราจกรรมมันตาการงานอันใดที่ข้างค้างไม่เป็นมงคลแต่การงานอันใดที่ไม่ค้างค้างเป็นมงคลอันสูงสุดนี่อยู่ในมงคล38ใครก็ตามทำงานที่ข้างค้างภาวนาในใจก็ยังติดอยู่สังเกตดูเถอะ แต่เมื่อไรเราได้ทำงานนั้นเสร็จอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเนะ่เป็นมงคลนึกถึงก็สุขใจนึกถึงก็เหมือนภาระของเราได้วางแล้วแล้ววางได้เหมาะในการสมัยบุคคลและเวลาพร้อมทั้งประโยชน์นั้นได้พึงสำเร็จแล้วเห็นไม ประโยชน์ได้บึงสำเร็จพอเราเข้าใจนะของพวกเราเนี่ยถ้าพูดกันทางโลกส่วนเนี่ยบางคนจะไปเอาดีทำบุญให้พ่อแม่ตอนตายขนไขยเรื่องของร่างกายจังเลยจะเอาไว้วัดไหนวัดดีๆหน่อยสารลาวางศพไว้ศพดีๆต้องจัดางานศพให้สมเกียรต ต้องเชิญแขกผู้มีเกียรติมาต้องทำให้ใหญ่นั่นหรือต่อให้ตัดเสื้อให้สวยใสกับศพมันก็เท่านั้นแหละต่อเอาให้เพชรนิจินดาไปประดับคงไม่มีใครว่าสวยนอกจากบอกเพชรสวยเท่านั้นไม่ใช่ศพสวยทำไมเราไม่เอาเรื่องคุณธรรมก่อนตอบแทนคุณท่านสิ มันโอราณกว่ายิ่งกว่าถูกตรงสภาวะกิจกับคุณธรรมเนี่ยเดินตรงกันผู้ให้ผู้รับได้อานิสงส์เต็มไม่รัว่วไม่ซึมไม่ระเหยด้วยเต็มแต่พอตายตอนอยู่ไม่ทำบอกไม่มีเวลาติดธุระติดประชุมติดสมณ น, นอหรือมีเหตุ และพูดอยู่เป็นประจําแต่มาเคยเจอโยมอยู่ท่านหนึง่งมาหามาคนเดียวเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรเพราะอายุมากจะออกไปเชิงจีนจีนหน่อยมอเมาแท็กซี่มามาเสร็จบอกขอดูท่านพระอาจารย์หน่อยนั่งดูเหมือนหิวอดมา นั่งดูสมาก็เลยเอา้าคนแก่คงไม่ค่อยเป็นไรมึงชักเกรงเหมือนกันาถามโยมมาจากไหนโยมมากับใครฉันมาคนเดียวมากับแท็กซี่เอา้าแล้วลูกหลานโยมไม่มาด้วยมันไม่เคยว่างมันบอกว่ามันจะมาจะพามาผัดวันเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนหลายเดือนเป็นปี ฉันไม่รอแล้วฉันจะตายแล้วฉันต้องมาให้ได้เราตอบแทนผู้บังเกิดเราเพียงนำท่านมาที่จิตของท่านเป็นกุศลเราทำให้ท่านไม่ได้น่าเสียใจมากกว่าที่ท่านกำลังผิดหวังในเรื่องอื่นๆ แต่เขามองไม่เห็นผู้เป็นแม่จะจากโลกนี้ไปอีกไม่กี่เดือนกี่วันและตมาชื่อว่าบัตรนี้ไปแล้วไปแล้วทำไมคนให้ชีวิตเรามาแต่เราไม่คืนชีวิตอะไรให้กับท่านบ้างเลยเราเป็นคนเห็นเกตตัวเอา เอารัดเอาเปรียบเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนพูดไปเถอะให้จบภาษาไม่มีคำมาบรรยายว่าเราเป็นคนอากตัญญูหรือไม่การไม่ตอบแทนคุณบอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ไม่อยากพูดคำนี้นะไม่ตอบแทนคุณท่านบุปการีแปลว่าผู้มีอุปการะคุณกตัญญูกตะเวทีแปลว่าผู้รู้จักตอบแทนคุณที่ท่านทําไว้หรือผู้มีคุณ เคยเลี้ยงดูเรามาฉะนั้นในบาลีท่านยกว่านิมิตตังสาธรูปานังกัตัญยุกตะเวทีนิมิตหมายของคนดีคือการตอบแทนคุณหรือรู้คุณท่านเราไปเอาตอนตายเหมือนจะไปช่วยเรื่องของสลีระพระพุทธเจ้าแต่ไม่ขนขวาย ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์กว่าจะตรัสรู้มายากลําบากตรัสรู้มาเพื่ออะไรเพื่อมาโปรดสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่ตรัสรู้มาเพื่อจะมานั่งดูแลศพเราไม่ใช่พระองค์ยิ่งใหญ่แต่มาเห็นภาพนี้นะแล้วก็นั่งดูว่าเจตนาของพระพุทธเจ้านะ โปรดชีวิตสัตว์น้อยใหญ่จนถึงลมหายใจสุดท้ายไม่เอาตัวตนเข้ามาเลยแล้วก็โปรดแม้แต่พระองค์ปรินิพพานแล้วด้วยธรรมเป็นตถาคธรรมตรงนั้นต่ออีกสว่างขาโตยังคงไม่ใช่ว่ากายดับรูปดับธรรมนั้นจะสิ้นสูญเปล่า ทำไม่สิ้นสูญและแตมาเชื่อว่าธรรมนั้นถ้าเปรยียบเหมือนมวลสารเป็นมวลสารที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่สลายแต่มวลสารอย่างอื่นดูเหมือนอายุร้อยปีพันปีแสนปีล้านปีเสื่อมสลายไปกับการเวลาตมาเคยบอกว่า การเวลาไม่เคยสลายกิเลสตัณหาของสัตว์มนุษย์ได้แต่การเวลาสลายสรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ย่อยสลายแตกไปได้ไม่มีใครคิดว่ากิเลสจะหมดเองไม่มีทางต้องจเจริญสติอบรมจิตจเจริญปัญญาอบรม ตรวตนของตนเองให้เป็นธรรมะอะไรที่จะละท่านต้องเตรียมละได้แล้วอย่ามาเล่นเกมอย่ายัางเล่นไม่พอชล่าใจดุดดังกระต่ายที่นอนหลับแล้วก็ปล่อยให้เตา่าคลานถึงเส้นชัย ไม่ใช่เราสามารถทำได้เราไม่ทำเราสามารถพูดความจริงเราไม่พูดเราสามารถเจริญกุศลได้เราไม่เจริญสำคัญผิดแล้วในที่สุดตัวเองขุดหลุมฝังตัวเองคงจะมีอานิสงส์ให้ลูกหลานมากลบให้มึง หรือตนฆ่าตัวเองแล้วให้คนอื่นเขามาเผาฉะนั้นความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไม่ใช่เสื่อมจากประการข้างนอกแต่เสื่อมจากกุศลและปัญญาทีนี้ดูตัวเราเราสแสวงหาความเจริญหรือเพียงเพื่อความอยู่รอด คนหาเช้ากินค่ำเพื่อความอยู่รอดและเพื่อดิ้นรนในสภาพทุกข์ในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละเหตุการณ์เขาดิ้นรนตั้งแต่เริ่มเกิดในคันแล้วแล้วก็ดิ้นรนมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่แต่เขาไม่เคยดิ้นรน เพื่อหาปัญญาอันเป็นโพธิหรือดิ้นรนเพื่อเจริญในกุศลอันเป็นไปเพื่อความเจริญของพบความเจริญในกุศลธรรมเปล่าและสิ่งที่มีเราบอก เรามีซับมันเป็นซับภายนอกก็พูดอยู่หลายครั้งแล้วตายเอาไปไม่ได้แขวนค อ, อยังเอาไปทำไม่ได้เลยย้ำกี่ครั้งมันก็คือคำนี้แต่ดูเหมือนก้นติดอยู่กับอาจมแถมล้างเสร็จเอามาสูดดมว่าหอมอีกมันอะไรมันอะไรพระบนอาจมบอกเหม็น พอล้างอาจมเอามือมาดมมันติดกลิ่นหรือไงพอแล้วก้นไม่เคยติดอาจมมีแต่อาจมติดก้นเชื่อเธมาเถอะเชื่อเถอะถ้าล้างเกลี้ยงมันก็เกลี้ยงมันไม่ติดหรอกไม่ติดคำเข้าทุกคำที่เคี้ยวกลืนลิ้นไม่เคยติด ในเม็ดข้าวมีแต่เม็ดข้าวติดอยู่ในซอกฟันอยู่ในลิ้นเสียงทุกเสียงจะมาไม่เห็นว่าหูจะติดเสียงมีแต่เราแหละได้ยินแล้วติดในเสียงชีวิตจริงที่เห็นกันใช้กันอยู่ร่างกายมันไม่ติดในร่างกายของใครมันก็คือสภาพเพียงร่างกายเป็นรูปเป็นธาตุแม้แต่เอากองมานอนทับกันมันก็ไม่ติดกัน แต่เราติดกันเองยึดกันเองมั่นหมายกันเองพอใจกันเองแล้วก็มารู้สึกมาพันพัวมาเมามัวมารุ่มหลกมันเป็นวัตตะเราไม่ข้ามไปสู่วิวัตะไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจเราไม่เคยพิจารณาศรัทธาศีลหิริโอตปะจากะปวุสจะปัญญาบางคนไม่มีเลยดูเฉยๆฉยสิ่งที่ควรที่จะขนขวายไม่ เหมือนคำดีเขาพูดเป็นกุศลจิตไม่นอมรับคำด่าคำสาปแช่งไม่กี่คำจิตรับทันทีมันอะไรเราอยู่เพื่อสิ่งนี้หรือจริงๆแต่มาว่ามันขยะให้เข้าใจได้แล้วยิ่งใช้ชีวิตมันยิ่งเป็นขยะมากเข้าทุกวันทุกวันทุกวันจนมันจะเน่าแล้วจิตจ่เน่าแล้ว พวกเรายินดีของเน่าพอใจกับของเหม็นและก็ติดอยู่กับเพียงสิ่งที่เขาฉาบทาไว้พบชาติพวกเรายังไม่ยังไม่เห็นว่าทำไมที่ยกเบื้องต้นว่าเจ้าชายทั้งหลายโกลิตตาอุปติสะ หรือนางเขมานางอุบลวรรณาก็ตามที่ได้บรรลุคุณธรรมจนถึงเป็นพิษุณีผู้มีฤทธิ์จนถึงเป็นเอกคัตธทธะอัคระเบื้องขวาเบื้องซ้ายจนเป็นพระผู้ทรงด้วยพระหูโสดเนี่ยพระอานุนทำไมเขาไม่กลับไป ทั้งที่ต้องไปนอนอยู่ป่าอยู่โคนไม้ถือทุดงหรือฉันอาหารเอกามือเดียวเป็นวัดและการได้สวมจีวร อ, อยู่เพียงจำกัดในผ้าสามผืนที่มีผ้าอาศัยเป็นการสับเปลี่ยนอยู่ทำไมท่านไม่นึกถึงว่าท่านเคยสุข อย่างไรเคยกินอย่างไรเคยนอนแบบไหนเคยมีผู้คอยปรนิบัติรับใช้อย่างไรคิดว่าท่านคิดหรือท่านไม่คิดแต่มาตอบไปเลยคนเคยสุขพอทุก ค, คิดถึงเรื่องที่เคยสุขท้งนั้นน่ะมันต้องแวบขนาดลูกพอทุกหน่อยก็ร้องเรียกแม่เป็นคำแรกพิสูจน์ได้ ในดองใครอาตมานี่แหละขนาดแม่ตายในสิเบเดเดืนอนยังร้องเรียกแม่เลยซึ่งไม่รู้ว่าแม่คืออะไรดิฉันไมแต่รู้ว่าแม่ช่วยเราได้แม่จะดับทุกข์ให้เราก็ดูไก่เจอเหยี่ยวยังโอบปิดปกป้องลูกน้อยทั้งที่ตัวเองก็ยังเป็นเป้เปาของเหยื่ยวอยู่มีอะไรก็ต้องเอาแม่ไก่ไปก่อน แต่ท่านผู้สำเร็จคุณธรรมชั้นสูงทั้งหมดปรากฏว่าไม่ได้เดินคืนชีวิตกลับไปสู่ภพชาตินั้นด้วยนิมิตแห่งความสุขในโลกียสุขทั้งหลายไม่กลับไปอีกเลยทำไมจะมาว่าท่านพบบุญแท้แล้ว ท่านอิ่มบุญจริงๆท่านพบบุญจริงๆท่านทําจนถึงคำว่าการสละอันไม่มีกิเลสแล้วเหตุกอกวรนอีกแล้วความตระนีไม่ต้องพูดเลยไม่มีความถือเนื้อถือตนถือวันนะถือฐานะไม่มีฐานะของท่านคือเราถือปฏิบัติเพียงศีลธรรมและการทาฌานบ้าง ท่านจึงดูเหมือนว่าเรา <c oughs> ได้วางภาระอันหนักและความเสื่อมทั้งหมดได้ยุติลงแล้วจึงเป็นผู้เจริญเรียกว่าหนทางอันประเสริฐจบแล้วนุตริยะอันยอดเยี่ยมแห่งความหลุดออกความพ้นแล้วนะฉะนั้นเรา ทุกคนท่านดิ้นรนเพื่อความทุกข์ไปแต่ละวันเพื่อปากท้องอย่างเดียวดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในภพภูมิชาติและในวัฏฏะไปสู่วิวัฏฏะเลยฉนันขอให้ผู้บำเพ็ญและผู้ฟังทั้งหลายจงน้อพิจารณาแล้วเราจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสื่อม ในกูฏศนและปัญญาขอจงไ ด, ได้ได้รับความสุขความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเพลินพอเจริญพร